เรื่องท่านพระอานนท์ตอบคำถามเกี่ยวกับพระธรรมลำดับนั้นท่านพระมหากระสปะประกาศให้สงทราบด้วยย ต, ติกรรมวาจาว่า ท่านทั้งหลายขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมแล้วข้าพเจ้าจะสอบถามพระธรรมกับท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์จึงประกาศให้สงทราบด้วยยติกรัรมมะวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมแล้วข้าพเจ้าอันท่านพระมหากัสปะถามพระธรรม จะได้ตอบต่อไปลำดับนั้นท่านพระมหากสปะจึงถามท่านพระอนนท์ว่าท่านอานนท์พระผู้มีพระภาคปัิพมชาลสูตรณที่ไหนท่านพระอานนท์ตอบว่าณนะที่พระตาหนักในราชอุทยานอัมพัลติการะหว่างกรุงราชครึก และเมืองนาลันทาขอรับท่านพระมหากัสปะถามว่าทารงปราบรบใครท่านพระอานนท์ตอบว่าทารงปรารบสุ ป, ปิยะปริภาชกและพรหมทัตมานพจากนั้นท่านพระมหากัสปะได้ถามถึงนิทานบ้างถามถึงบุคคลบ้างในพรหมชาลสูตร ท่านพระมหากัสสปะถามต่อไปว่าท่านอานน o ์พระผู้มีพระภาคปรัสามัญญผลสูตรที่ไหนท่านพระอานน o ์ตอบว่าณที่วิหารชีวกรรมพวันกรุงราชเครือขอรับท่านพระมหากัสสปะถามว่ารักกับใครท่านพระอานน o ์ตอบว่า รัดกับพระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรจากนั้นท่านพระมหากัสสปะได้ถามถึงนิทานบ้างถามถึงบุคคลบ้างในสามัญญาผลลสูตรแล้วถามจนครบทั้งห้านิกายท่านพระมหากัสสปะเป็นผู้ถามท่านพระอานอนท์เป็นผู้ตอบ